สมภารวัดป่ามะม่วงพำนักอยู่ในป่าอันเป็นอานาบริเวณของภูคาตลอดราตรีได้ธรรมะสากัดฉาคือสนทนาธรรมกับภิกษุรัตัญยูอยู่จนค่อนรุง่งจากนั้นจึงจำวัดเป็นเวลาสองชั่วโมงการบรรลุธรรมทำให้จิตใจของท่านผ่องใสไรยุราคีหากกาย ยังคงลำบากตรกดำดังเดิมรอบภาระหน้าที่ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทำให้ท่านไม่มีเวลาหาความสุขสบายทางกายอันเป็นของต่ำสำหรับพระอริยเจ้าแต่เป็นของสูงที่ปุถุชนคนครองเรือนพยายามข่อยคว้าหามาปรนเปรตตัวตนด้วยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้ เช้าวันรุ่งขึ้นพระอริยเจ้าทั้งสององค์จึงพากันเดินทางไปยังแพะเมืองผีเพื่อสงเคราะห์ชาวบ้านพวกเขาถูกผีดิบรังควานจนได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนถึงขั้นขวัญเสียเกิดความสะดุ้งหวาดกลัวกันทั่วหน้าเดินทางมาถึงกลางหนาใกล้จะถึงทางเข้าหมู่บ้านภิกษุรัตัญยุก็ยึดต้นมาขามป้อม เป็นที่พำนักบอกกับสิทธิ์ว่าเธอเข้าไปในหมู่บ้านคนเดียวเธอพวกเขาจะนิมนต์เธอชันอาหารแล้วเล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้เธอช่วยแก้จงพาพวกเขามาพบเราที่นี่จะได้ไปปราผีดดิบด้วยกันปัญหาใหญ่ของพวกเขาในเวลานี้ก็คือถูกผีดิบรังควาน แล้วหลวงพ่อไม่ฉันหรือครับถามเพราะความเคยชินเราจะฉันใต้ต้นมะขามป้อมนี่อย่าได้ห่วงเรื่องปากเรื่องท้องของเรานักเลยผมถามเพราะความเคยชินนะครับรู้อยู่ว่าหลวงพ่อไม่ใช่คนธรรมดาเหมือนผมไม่เช่นนั้นจะมีชีวิตยืนยาวมาได้ตั้งสองพันกว่าปีหรือ ท่านแน่ใจว่าหลวงพ่อดําคือพระอุตระที่พระเจ้าอาโศกมหาราชทรงส่งลงมาเผยแผ่พระศาสนาอย่างดินแดนสุวรรณภูมิเมื่อปีพุทธศักราช234ซึ่งนับถึงบัดนี้ก็เป็นเวลานานถึง 2,281 ปปีแล้วรีบไปเถอะพวกชาวบ้านเขาคอยความช่วยเหลืออยู่ หลุงพ่อดำพูดตัดบทด้วยไม่ต้องการให้สิทธ์สนใจเรื่องที่ไม่ควรสนใจท่านจะเป็นใครมาจากไหนไม่สำคัญเท่ากับว่าบัดนี้ท่านได้พูดช่วยที่จะช่วยกันเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่หมู่มนุษย์เพื่ อ, อยังสันติสุขให้เกิดขึ้นในโลกนี่คือปณิธานอันแน่วแน่ ของพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านพระครูเดินเข้าไปในหมู่บ้านแต่ผู้เดียวตามคําสั่งของอาจารย์ท่านสังเกตว่าบ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้สักเพราะถินนี้อุดมไปด้วยไม้มีค่านาน า, นาพันธุ์แต่แปลกตรงที่หน้าบ้านของแต่ละหลังจะมีท่อนไม้ขนาดใหญ่เท่าต้นขา ทำเป็นรูปอวัยวะเพศ ช, ชายตรงปลายทาสีแดงวางนอนไว้บนหลักสองหลักหันปลายที่มีสีแดงออกไปทางทิศหน้าบ้านท่านอยากทราบเหตุผลว่าพวกเขาทำเช่นนี้เพราะอะไรครันใช้เห็นหนอเข้าตรวจสอบจึงได้รู้ว่านั่นเป็นวิธีการแก้ปัญหาของพวกเขาท่อนไม้ที่ทำเป็นรูปอวัยวะเพศ ช, ชาย เป็นเสมือนเครื่องรางของขลังที่จะขับไล่พูดผีปีศาจที่มารังควานให้พ่ายแพ้หนีไปท่านรู้ว่น right. า น, วนั่นไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องเลยเห็นพระธุดงเดินเข้าหมู่บ้านมาประชาชนต่างพากันดีใจด้วยหวังว่าท่านจะมาแก้ปัญหาให้พวกเขาได้ คนเป็นผู้ใหญ่บ้านนิมนท์ท่านไปที่เรือนตนซึ่งปลูกด้วยไม้สักทั้งหลังและฝีมือประณีตงดงามกว่าหลังอื่นๆนิมนต์ตุเจ้าครับนิมนต์ฉันที่บ้านเฮานี่เลยครับผู้ใหญ่บ้านวัยห้าสิบเศษเชื้อเชิญด้วยภาษาพระปนภาษาถิน่นหาเสือมาปูให้ท่านนั่งตักน้ำฝนใส่ขันเงินมาถวาย แล้วเรียกพันยาและลูกสาวลูกชายมากราบท่านภิกษุอาคันตุกะรู้สึกแปลกใจที่ลูกชายสองคนของผู้ใหญ่บ้านทาปากทาเล็บสีแดงทั้งคู่ส่วนลูกสาวสามคนและพันยาของเขากลับไม่ได้ใช้สีสันแต่งแต้มปากและเล็บแต่อย่างใดโยมผู้ใหญ่หมู่บ้านนี้เขานิยมให้ผู้ชายแต่งหน้าทาปากกันหรือ ท่านถามผู้ใหญ่บ้านเพิ่งจะสังเกตว่าปากและเล็บของบุรุษวัยห้าสิบเศษก็เป็นสีแดงเรื่อๆที่พอจะดูออกว่าไม่ใช่สีธรรมชาติมันมีติมารครับตุเจ้าเขาบอกท่านพระครูและบอกพัญญาและลูกสาวสามคนเข้าครัวไปเตรียมอาหารมาถวายท่านส่วนลูกชายสองคนนั่งอยู่กับผู้เป็นพ่อ เล่าให้อาตมมาฟังหน่อยได้ไหมได้ครับตุเจ้าคือว่าหมู่บ้านเฮากำลังถูกผีอีกแก้วเอ้ยผีนางแก้วรังควานครับผีนางแก้วมันกัดคอดูดเลือดแล้วมันก็เลือกกินแต่ป้อจายป้อจายในหมู่บ้านเฮาถูกผีนางแก้วกินคืนละคนสองคนเล่นเอาหมู่บ้านเฮาวาดกลัวไปตัวกันหมดเลยต้องหาวิธีป้องกัน ด้วยการแต่งตัวเป็นไม่ยิงนอกจากจะทาเล็บทาปากแล้วเวลานอนหมู่เฮาก็ต้องเอาผ้าถุงมันนุ่งมันจะได้เก้ดว่าหมูเฮาเป็นไม่ยิงเรียกว่าหลอกผีนางแก้วอย่างนั้นใช่ไหมครับตุเจ้ามันอยากจะมาหลอกหมูห่เฮาหมูเฮาก็ต้องหลอกมันพ่องแล้วคิดว่าผีเขาไม่รู้หรือ ผีโง่กว่าคนหรืออย่างไรมันคงบ่หูหรอกครับตุ๊เจ้าเพราะคนที่แต่งตัวเป็นไม่ยิงยังบ่เคยถูกมันกินแต่อีกหน่อยเขาก็ต้องรู้ความลับไม่มีในโลกพวกโยมแก้ปัญหาไม่หกจุดเหมือนกินละมุดถูกเม็ดแต่เอาเถอะอาตมาจะช่วย ถึงอาตมาจะไม่ใช่พ่อมดหมอผีแต่ก็ช่วยพวกโยมได้วิธีแก้ปัญหาที่ถูกจะต้องใช้วิธีของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้ในหลักอริยสัจว์่การจะแก้ปัญหาได้ต้องรู้ต้นตอของปัญหาแล้วก็แก้ที่ต้นต่อ น, นั้นพูดตามภาษาพระคือเราต้องรู้เหตุ แล้วก็ดับเหตุนั้นเสียเมื่อเหตุ ด, ดับผลก็ดับแต่พวกโยมมาดับที่ปลายเหตุจึงแก้ปัญหาไม่ได้เอาเถอะเดี๋ยวอาตมาจะพาไปหาหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านเก่งมากสามารถแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องแล้วท่านอยู่ในครับตูเจ้าอยู่กลางทุ่งโนน ท่านพักอยู่ใต้ต้นมะขามป้อมทำไมท่านมาเข้ามาในหมู่บ้านเฮาครับเฮาจะไปนิมนต์ท่านเข้ามาฉันในหมู่บ้านเฮานะครับไม่ต้องรอกท่านฉันของท่านเองได้เอาละ่ะเป็นอันว่าเสร็จแล้วอาตมาจะพาไปให้ท่านช่วยโยมวางใจได้ท่านทราบว่าพวกโยมกําลังมีปัญหา เรื่องทูกผีดิบรังควานที่โยมเรียกว่าผีนางแก้วนั่นแหละผีดิบเรอครับลูกชายผู้ใหญ่บ้านถามขึ้นพร้อมกันด้วยท่าทางตระนกและหวาดกลัวไม่ต้องกลัวหรอกหนูรับรองว่าหลวงปู่ช่วยได้ต่อไปพวกผู้ชายในหมู่บ้านจะไม่ต้องนุ่งผ้าถุงนอน แล้วก็ไม่ต้องแต่งหน้าทาเล็บอีกเรื่องความสวยความงามต้องยกให้ผู้หญิงเขาส่วนผู้ชายต้องเข้มแข็งและกล้าหาญเป็นผู้นำที่ดีไม่ใช่มาแต่งตัวเป็นผู้หญิงท่านถือโอกาสเทศนอกธรร ม, มาธิฉันพัฒหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วภิกษุวัย45จึงพาผู้ใหญ่บ้าน และลูกชายสองคนไปพบหลวงพ่อดำที่ต้นมะขามป้อมใกล้ปากทางเข้าหมู่บ้านเห็นภิกษุรัตนญอยู่นั่งสมาธิหลับตาอยู่จึงเข้าไปกราบท่านสามครั้งผู้ใหญ่บ้านและลูกชายสองคนทําตามมา ก, กันแล้วหรือหลวงพ่อดำถามทั้งที่ทยังหลับตาครับหลวงพ่อผมพาผู้ใหญ่บ้าน กับลูกชายมากราบหลวงพ่อครับผมบอกเขาว่าหลวงพ่อจะช่วยพวกชาวบ้านได้ท่านพระครูรายงานเราเพียงแต่ช่วยแนะนำส่วนการแก้ปัญหาพวกเขาต้องช่วยตัวเองอตตาหิอตัตนโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตน ไม่มีใครช่วยใครได้หากเขาไม่ช่วยตัวเองเอาละ่ะต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของเธอที่จะช่วยอธิบายให้พวกเขาฟังประโยคหลังท่านพูดกับภิกษุวัยสห้าหมู่เฮาพร้อมที่จะช่วยตัวเองแล้วขอทุเจ้าได้โปรดแนะนำตัวครับผู้ใหญ่บ้านประนมกรกราบเรียน ท่านพระครูจึงพูดขึ้นว่าดีแล้วอาตา ม, มาต้องการคำยืนยันอย่างนี้จำไว้นะไม่มีใครช่วยใครได้ถ้าเขาไม่ช่วยตัวเองคนเราต้องช่วยตัวเองตลอดนับตั้งแต่ลืมตาดูโลกกระทั่งตายจากโลกไป มาแต้กระครับหลวงปู่ต่อลืมตามาดูโลกเายังจ่วยตัวเองมาได้ต้องพึ่งป่อพึ่งแม่บางคนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังต้องพึ่งป่อแม่ลูกชายคนโตของผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยทำไมจะไม่จริงนี่หลวงปู่ไม่ได้พูดเองนะแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้ สิ่งที่พระองค์สอนเป็นสัจธรรมสามารถพิสูจน์ได้ทุกเมื่ออย่างที่พ่อนุ่มพูดว่าเมื่อเราลืมตาดูโลกเรายังช่วยตัวเองไม่ได้นั้นไม่จริงเพราะความจริงก็คือเราต้องช่วยตัวเองมาตั้งแต่เกิดพอเราเกิดเรายังทำมาหากินไม่ได้แม่ก็ออนนมใส่ปากเรา ถ้าเราไม่ ด, ดูดไม่กินเราก็ต้องตายเพราะอย่างนี้แหละหลวงพ่อจึงพูดว่าเราต้องช่วยตัวเองตั้งแต่เกิดจนตายท่านเปลี่ยนจากหนูมาเป็นพ่อหนุ่มจริงครับหลวงปู่พูดถูกผมเห็นด้วยลูกชายคนที่สองของผู้ใหญ่เข้าใจได้ฉับพลันเพราะจัดอยู่ในบุคคลประเภท อกคติตันอยู่แล้วหลวงปู่จะแนะนําหมูเถาเกี่ยวกับผีนางแก้วว่าจะใดครับตะกี้หลวงปู่บอกว่าผีนางแก้วเป็นผีดิบหมูเถายังไม่เข้าใจผู้ใหญ่บ้านยังกังขาเขาพลอยเรียกท่านพระครูว่าหลวงปู่ตามลูกชายไปด้วยความไม่เข้าใจก็คือความไม่รู้และเพราะความไม่รู้นี่เอง ที่ทำให้พวกโยมแก้ปัญหากันไม่ถูกจุดแต่ไม่เป็นไรขอให้ถือเสี้ยว่าผิดเป็นครูแล้วก็มาเริ่มต้นกันใหม่หมูห่เฮาแก้ปัญหาบรรทุกจุดจะได้ครับบุรุษวัยห้าสิบเศษถามอีกเพราะโยมไม่รู้จักผีนางแก้วที่แท้จริงน่ะสิ ที่โยมเรียกว่าผีนางแก้วนั้นแท้จริงคือผีดิบผีดิบแปลง่ายๆก็คือผีที่ไม่สุขที่ไม่สุขเพราะไม่ได้เผาและเพราะไม่เผาผีนี่แหละจึงทำให้เกิดผีดิบขึ้นมาอาลวาดทาให้พวกโยมหวาดกลัวกันอยู่ในเวลานี้ หลวงปู่ยิ่งอู้เเขาก็ยิ่งบม่เข้าใจครับผู้ใหญ่บ้านรู้สึกเป็นงงมากขึ้นแต่ลูกชายคนที่สองของเขาเข้าใจและพูดว่าแต่ครับหลวงปู่หมู่คนบ้านเขาบ่อนิยมเผาผีเวลามีคนตายก็จะเอาไปฝังในป่า จ, จ้าลึกๆห่างไกลจากหมู่บ้านเป็นสิบๆกิโลถูกต้องพ่อนุ่มนี่เก่งมาก สามารถเข้าใจอะไรอะไรได้ฉับพลันหลวงปู่ขอทำนายว่าในอนาคตพ่อนุ่มจะได้เป็นด็อกเตอร์โยมเลี้ยงลูกให้ดีๆนะเขาเจะเรียนถึงระดับปริญญาเอกท่านทำนายทายทักโดยไม่ต้องใช้เห็นหนอเขาจะมีบุญถึงขนาดนั้นเลยกระครับหลวงปู่ ผู้ใหญ่บ้านยังสงสัยมีสิถ้าโยมแก้ปัญหาเรื่องผีดิบให้ชาวบ้านได้โยมก็จะมีโชคสองชั้นโชคชั้นที่หนึ่งคือโยมจะได้เลื่อนจากผู้ใหญ่บ้านมาเป็นกำนันโชคชั้นที่สองคือลูกจะได้เป็นด็อกเตอร์ คำทนายของท่านพระครูทำให้ผู้ใหญ่บ้านใจพองคับอกรีบกราบเรียนท่านว่าเฮาขอปฏิญาณว่าจะแก้ปัญหาให้ได้เพราะเฮาฝันอยากจะเป็นกำนันมาเมินแล้วหลวงปู่ต้องช่วยเฮานะครับบอกแล้วอย่างไรล่ะว่าโยมต้องช่วยตัวเองอาตมาเพียงแต่แนะนำเท่านั้น ถ้าจะอ้านหลวงปู่กรุณาแนะนำมาเลยครับว่าจะฮือเฮาเยะจะไดใจเย็นเย็นโยมผู้ใหญ่ช้าช้าได้พระสองเล่มงามก็อย่างที่อาตมาพูดไว้เมื่อกี้นี้ว่าวิธีแก้ปัญหาที่ถูกจุดต้องใช้หลักอริยสัจสี่ตอนนี้เราก็รู้สาเหตุของปัญหาแล้วว่ามาจากการที่พวกชาวบ้านไม่นิยมเผาผี ผีดิบที่มาอาลวาดอยู่ขณะนี้เป็นผีผู้หญิงก่อนตายพวกเขาผูกพยาบาทพวกผู้ชายบ้างก็อาฆาตสามีที่เจ้าชูา้นอกใจเขาบ้างก็อาฆาตที่ถูกผู้ชายหลอกพอตายแรงพยาบาทมันสามารถฝืนแรงกรรมได้ชั่วระยะเวลาหนึง่งเขาจึงไม่ยอมไปเกิดตามกรรมที่ทา แต่ได้มาเข้าร่างแล้วออกทำการแก้แค้นเวลาหกโมงเย็นเขาจะลุกออกมาจากหลุมแล้วเข้าไปในหมู่บ้านเลือกกินแต่ผู้ชายจะสังเกตว่าคนที่ตายจะมีแผลที่ลำคอนั่นเพราะถูกผีดิบดูดเลือดแล้วก็ไม่มีผู้หญิงตายในลักษณะนี้เพราะผีดิบเหล่านี้ ต้องการกินแต่เลือดผู้ชายเพื่อล้างแค้นน่ากลัวนะครับหลวงปู่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพ่อของพ่อนหนุ่มจะแก้ปัญหาได้ขณะที่ท่านพระครูสนทนาโต้อตอบกับผู้ใหญ่บ้านและลูกชายหลวงพ่อดำยังคงนั่งหลับตานิ่งอยู่หากในความนิ่งนั้นท่านก็ฟังเพื่อทดสอบปัญญาญาณ ของสิทธิ์ไปด้วยผมจะแก้ปัญหาจะได้ครับผู้ใหญ่บ้านถามอีกให้โยมกลับไปที่หมู่บ้านพาลูกบ้านผู้ชายสักสี่ห้าคนไปที่ป่าช้าเอาจอบเสียมและมีดเน็บไปด้วยผมไปด้วยได้กบครับหลวงปู่หนุ่มน้อยสองคนถามขึ้นพร้อมกัน พ่อหนุ่มไม่กลัวหรอกหรือบอกลัวครับป้าจายต้องกล้าหาญและเป็นผู้นำที่ดีหลวงปู่สอนไว้เบตกี้นะครับหนุ่มน้อยคนที่อายุน้อยที่สุดตอบดีแล้วถ้าเช่นนั้นก็กลับไปกับพ่อนะและพบกันที่ป่าช้าผมขอไปกับหลวงปู่ได้ก็ครับเข้าต่อรอง ไม่ได้รอกหลวงปู่เดินเร็วเดี๋ยวจะหลงกันแสดงว่าหลวงปู่มีคาถาย่นระยะทางเอาไว้ให้ผมโตวกว่านี้หลวงปู่สอนให้ผมได้ก็ครับคนฉลาดพูดชอดๆทั้งที่รู้ว่าบิดาและพี่ชายไม่เข้าใจเรื่องที่เขาพูดตกลงถ้าพ่อนุ่มอยากเรียนจริงๆหลวงปู่ก็จะสอนให้